ความไม่ไม่เห็นด้วยกับท่าน น, นั่นนะว่าสิลห้าสินแปดท่า น, นต่างท่านพูดถึงสินที่เป็นปรมาตร์อ่าสินที่เราสมทานกันหมายถึงสินห้าสินแปดโดยทั่วไปเพราะสิน้วยปรมัตร์ก็มีห้าข้อแต่มันจะครอบคลุมหมดทุกๆุกสินนะนะคําว่าสินนี่เขียนไว้ไงเคยเห็นนะเนาะเคยเขียนเป็นนะเนาะเขียนว่าไงเราเขียนอะไรน้สองสศลา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 ก็เลยเอมันคงจะเป็นสายวิบากรรมนะก็ ه, เลยค่อยๆเก็บออกมาบางคนก็รู้ว่าพระอาจารย์จะเก็บโทรศัพท์ก็เตรียมมาสองเครื่องว่างสามเครื่องเครื่องที่หนึ่งจำได้เก็บไปา่าฉันจะมีเครื่องที่สองที่สามที่สิโอ้ขนาดนั้นเลยที่เดชทั้งคุณนี่ว่ากันนะดังนั้นในเป้าหมายในการที่เราสมาทานศินวันนี้ก็คือเราจะต้องมีความอดทนในการที่จะ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 ตั้งใจนะมันระวังนะเพราะฉะนั้นหลังเพลนแล้ววันนี้เราพร้อมใจกันว่าไงเก็บโทราศัพท์สีลข้อแรกที่สุดนะเพื่อป้องกันทางแห่งวางน ะ, นะเกโทราศัพท์แต่ว่าหลวงพ่อเก็บไม่ได้เพราะอะไรตอนนี้มีคนหลายคนที่เก็บไออารมณ์เข้มอยู่ทั่วนะทั้งอเมริกาทาั้งยุโรปทั้งที่กาโก้พอติดอารมณ์มาโทรหาหลวงพอ่อเราเอหลวงพออ่อจะทำไงนี่าติดอารมณ์อันนี้รัสเซอยู่จนียเก็บเนี่ยอารมณ์อยู่สองลาย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 ซึ่งเราจะพิจารณาเป็นเป็นเป็นลายๆไปว่ปาคุณไหนที่ยังใหม่ยังไม่ได้เลยเลยก็เออมาผ่าปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้นิว ร, วรนรบวนนะช่วงระหว่างกลางุกเวลาเนี่ยเราจะเน้นให้ประคองสติไม่ใช่คุณไปนั้งสร้างจังหวะโดยจบกงวทั้งวันว่าเวลาคุณไปลุกไปทำกิจกรรมพุณหลุดหมดเนี้อันนี้ไม่เหมาะนะแต่ว่าเราจะ apply, แอพลายหรือจะไปยุบเจริญสติมาทั้งวันเนี่ยออกไปใช้ในกิจกรรม